ในพระในพระสูตรท่านยกอุปมาเหมือนอย่างว่าเนื้อรอดนะเขาเขามีเนื้อสองตัวในพามเนี่ยเขาก็มีเนื้อเลี้ยงเนื้อสองตัวเนื้อตัวผู้กับเนื้อตัวเมียมันก็มาขุนให้มันอ้วนดีงามมากทีนี้เขาจะดักเนื้อป่าทีนี้ก็ดักเนื้อป่าเขาก็วางนางเนื้อรอดมาวางเนื้อรอดไอ้เนื้อที่อยู่ในป่ามก็มามาก็ไม่เห็นนางเนื้อรอดก็ เข้าไปเลยไงปรีเข้าไปเลยและไอไอตัวผู้ทางนี้มันก็ทําเป็นห่วงใช่ไหมก็เลยขวิดกันทะเลาะกันนะเนะ่ยเขาบอกว่าในช่วงที่สึกชิงนางเนื้อล่ออันนั้นเนี่ยในพราห์เนี่ยถือดาบมาตวัดข้างๆแล้วไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวจริงๆว่ามีหอกอยู่ใกล้ๆตัวแล้วนะเขาว่ามันขนาดนั้นเลยนะมันมันถูกนางอะไรนะถูกนางเนื้อที่เป็นตัวล่อเนี่ยล่อถ้าจน ลืมลืมลืมตายเลยนะลืมตายจริงๆเพราะวัตถามันก็เป็นอย่างเงี้ยวัตถุที่น่ายินดีทําให้ลืมชาติชรา ม, มรณะลืมโสกกะปริเทวทุกขโทมรัตอุปาญะลืมเลยว่าวัตถามันมีภัยนึกว่าเย็นสบายนึกว่าไม่มีอะไรจริงๆรนะเนี่ยแล้วก็คนที่ไข้ครวญที่จะออกจากวัตะเนะี่เป็นคนที่ตื่นภัยมากๆเลยถ้าไม่ตื่นภัยจริงๆรนะก็เมื่อคืนคุยกันบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นคนคิดมากหรือไม่คิด พูดเลยตรงๆนะพระพุทธเจ้าเป็นคนคิดมากที่สุดเลยเอานะมีใครบ้างไปเห็นคนแก่มาแล้วกลับบ้านนอนไม่หลับเลยเห็นคนป่วยแล้วกลับบ้านนอนไม่หลับเลยนะคิดมากเลยนะโอ้โหนี่คนนี้ก็จะต้องป่วยคนนั้นก็จะต้องป่วยพระเจ้าสุดโททนะก็แก่ก็ป่วยก็ตายพนางพิมพาก็จะต้องแก่ต้องป่วยต้องตายลูกที่เราเกิดมาก็ป่วยแก่ตายคนในบ้านเมืองทั้งหมดเดินไปสู่ความแก่และความตาย โลกกับทั้งเทวลโลกไปสู่ความป่วยความแก่และความตายท่านมาคิดอยู่อย่างนี้มากโอ้ทุกคนนี่มันบากหน้าไปหาความแก่และความตายหมดเลยของเราเนี่ตั้งแต่เห็นคนแก่เคยไปคิดอย่างนี้บ้างไหมเห็นไหมน้อยกันทีเลยนะมีห น, น้าเลยเลยห่างอารยศักดิ์มากนะจนตัวเองแก่แล้วก็ยังไม่เคยได้นึกอย่างเง้ยยังไม่รู้ว่าแก่อีกเลยนะโอม้มันเอาขนาดนั้นนะคือว่าเป็นคนไม่คิดมากจริงๆเลยน ะ, ะไม่คิดมาก แต่อากุศลวิตกมาก <c oughs> คือเพราะว่าจินตามายาปัญญาที่ที่คิดตามคําสอนเราไม่ไม่คิดว่าเป็นข้อปฏิบัติไง <c oughs> ก็เลยไม่ยอมไม่กล้าคิดคือการคิดเนี่ยพระองค์บอกห้ามอยู่แล้วว่าอย่าคิดอากุศลวิตกอย่าไปคิดเรื่องโลกที่ที่ที่ที่พระองค์ห้ามแต่ให้ตรึกอริยสัจให้พิจารณาอริยสัจให้คิดมากในเรื่องวันนี้ชาติทุกนี้ ชะลาทุกนี้พญาที่ทุกนี้มรณะทุกนี้ที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาทุกนั้นก็ต้องมามาให้ควรวนมาตรึกอย่างนี้ให้มากๆเลยเนะ่ยแก็พวกวัตตะทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเครื่องล่อจริงๆนะเนี่ยชาปเนี่ยนะเป็นเป็นอ ม, มิตรจริงๆนะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเพลิดเพลินโดยเฉพาะการเกิดใช่ไหมก็ส่วนใหญ่นะผู้ที่ได้ลูกได้หลานโดยมากจัดดีใจอันนี้พูดถึงโดยมากนะเขาว่าเขา จะดีใจแต่ไม่รู้ว่านั่นคือเหยื่อของความทุกข์ได้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะได้เรียกว่าความทุกข์ได้เริ่มขึ้นแล้วนี่หน้าของมาเกิดมาร้องไห้เลย <c oughs> เดือดร้อนมากนะทุกอย่างนี้แหละไม่น่านะก็ใครถือว่าการเกิดไม่เป็นทุกข์ก็ลองดูเถอะบอกว่ารู้จักวัตน้อยไปมั้งตกว่าไหนมั่งไม่นํามาซึ่งโสกกริเทวะเนี่ยลองหาดูเถอะมีไหมในโลกเไง ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความโศกของหมู่สัตว์เลยนะมีสักวัตถุสักชิ้นหนึ่งไหมที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งโสกกาปริเทวทุกขโทมนัตอุปายาตเคยมองเห็นรูปประคันแม้แต่รูปหนึ่งไหมที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งโศกกาปริเทวทุกขโทมานัตอุปายาตทีม่มีรอกเน่ยนะแต่ถ้าไม่มีอมิตรคือเครื่องล่อเหล่านี้แล้วอ่ะนันดีขนาดไหนเห็นไหมมันจะดีปานใดเพ่านอมิตรนี้จึงชื่อว่า อะความไม่เกิดขึ้นเป็นต้นเนี่ยนะไม่มีเครื่องลอ่อมันก็คิดนะว่าการเกิดขึ้นวัตตะเนี่ยมีเครื่องลอ่อมีวัตะนิพานนี่นนไม่มีเครื่องลอ่อไม่มีอมิตรแต่สิ่งที่เป็นอมิตรทุกชนิดคือสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นโอ้ยมันปรุงแต่งสวิจิตหน้าติดหน้าคล้องไปหมดเลยใช่ไหมก็เพราะมันปรุงแต่งอย่างวิจิตนั่นแหละจึงจึงหน้าติดหน้าคล้องเพราะมันเป็นสังขารที่ เช่นเราก็ไปประมวลค่ะอันนี้มันเกิดขึ้นยากไหมอันนี้ทําได้ยากนะอันนี้ดีนะเราจะปรุงได้ขนาดนี้กับวิธีตั้งมากมายเราก็เลยติดข้องเั้นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งนะยิ่งปรุงแต่งวิจิตตานใดนะยิ่งยิ่งอะไรยิ่งหน้าติดหน้าข้องแต่สิ่งที่เราติดข้องทั้งหมดคือสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งทั้งหมดเลยเรียกว่าสังขารถ้าไม่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นนิพพานนิพพานไม่มีปัจจัยปรุงแต่ง ทั้งสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นพวกการเกิดขึ้นถูกปัจจัยปรุงแต่งความไม่เกิดขึ้นไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสัต์ทั้งหลายโดยมากนะคะแสวงหาความสุขจากสังขารใช่ไหมไม่คิดว่าการที่ปราศจากสังขารโดยประการนั่งกวงเป็นสุขไม่กล้าคิดเลยนะไม่มีสังขารแลยมันสุขได้ยังไงนะเอามาลองทําวิจัยดูนะว่านี่นะถ้าไม่เกิดแล้วมันสุขยังไงถ้าไม่มีตาแล้วสุขยังไงเนี่ยนะ เพราะว่าคนที่จะปฏิบัติจนตัดกิเลสในทวารหกได้เนี่ยต้องคํานวณเลยว่าถ้าไม่มีตานี่สุขยังไงอย่างที่พระ อ, องค์สอนพระมาลุงกะยะว่าไงเนี่ยถ้ารูปนั้นเธอไม่เคยเห็นไม่คิดจากเห็นไม่ใช่กำลังเห็นเหมือนกับใครสักคนหนึ่งนะเขาเกิดมาเป็นชาวแอฟริกาแถวไหนก็ไม่ทราบสักคนหนึ่งนะไม่เคยเห็นไม่คิดว่าจาเป็นต้องเห็นไม่ใช่กาลังเห็นอยู่ ถ้าคนนั้นเกิดแก่ตายหรือแปรปลวนไปอย่างใดอย่างหนึ่งเราจะเสียใจไหมชาวเอก็กซ์ฮิมโอตายวันนี้เนี่ยเราเขาเผาอยู่เขาฝังเป็นต้นเนี่ยนะเรารู้สึกเป็นยังไงไม่รู้สึกเสียใจทำยั ง, ยงไงโลกทั้งโลกสีทุกทิศที่เราลืมตาเห็นเนี่ยไม่สําคัญว่าเคยเห็นไม่สําคัญว่าจะเห็นไม่สําคัญว่ากําลังเห็นเนี่ยนะแต่ก็ไม่ใช่อยู่ด้วยความโง่เขลานะี่ไม่ใช่หลับด้วยอะ่ะตื่นนี่แหละ อันนั้นแหะถ้าสามารถชั่งได้ขนาดนี้รู้เลยว่าผู้ที่พ้นทุกข์แล้วเนี่ยเขาเข้มั่นคงขนาดนั้นเขา อ, อารมณ์ทุกอารมณ์เขาเป็นอย่างนั้นเพราะเขารู้สภาพของอารมณ์เป็นอย่างดีแทงตลอดสภาวะของอารมณ์เหล่านั้นเป็นอย่างดีรู้ว่าอารมณ์เหล่านี้เป็นสังขารทั้งนั้นเลยถ้าไม่มีอารมณ์เหล่านี้เป็นนีสังขารจักขู่เป็นสังขารความดับจักขู่เป็น วิสังขารคือนิพพานหูเป็นสังขารใช่ไหมความดับหูเป็นนิพพานจมูกเป็นสังขารความดับจมูกเป็นนิพพานลิ้นเป็นสังขารความดับลิ้นเป็นนิพพานกายเป็นสังขารความดับกายเป็นนิพพานมโนเป็นสังขารความดับมโนเป็นนิพพานเนี่ยนะก็ทวารหกเลยนะการปฏิสนธิเป็นสังขารถ้าไม่ปฏิสนธิเป็นนิพพานปฏิ ปฏินี้แปลว่าเฉพาะสนที่แปลว่าต่อการต่อเฉพาะเนี่ยนะเหมือนในถ้าคนขึ้นรถเนี่ยแต่ต่อรถต่ออะไรเป็นต้นเนี่ยจะเห็นชัดเน่ยนะการเชื่อมต่อระหว่างนั้นระหว่างภพกับภพเนี้ยเรียกว่าปฏิสนธิต่อเฉพาะจากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งถ้าเคลื่อนจากภพหนึ่งแล้วไปต่ออีกภพหนึ่งอันนี้เรียกว่าจุติกับปฏิสนธิเหมือนกับการเดินทางที่เรียกว่าเคลื่อนจากคันหนึ่งแล้วต่ออีกคันหนึ่งต่อไป อันนี้เรียกว่าจุติดปฏิสนธิก็เชื่อมโยงกันอย่างนี้ถ้าไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายเนี่ยนิพพานนะเนี่ยนะถ้าเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นสังขารที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งจะลืมว่าในโลกนี้นะสิ่งใดก็ตามที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสิ่งนั้นเนี่ยนะเป็นที่ต้านแห่งความเดือดร้อนอย่างมากเลยเนี่ยยิ่งถูกปัจจัยปรุงแต่งเท่าใดเนี่ยนะยิ่งเดือดร้อนเท่านั้น ก็ผู้ที่ต้องดูแลสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมากนะเดือดร้อนปานใดนะผู้บริหารถามว่านั่งสบายใจเย็นมีความสุขมากก็คือเมื่มันมองภาพดูว่าสิ่งใดที่มีปัจจัยปรุงแต่งนะถ้ามีปัจจัยปรุงแต่งมากนะแล้วก็แต่ละปัจจัยก็ไม่เที่ยงเลยกับอีกชิงนึงมีปัจจัยปรุงแต่งน้อย แล้วก็สิ่งนั้นก็ไม่เที่ยงแล้วอีกสิ่งหนึ่งไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเลยลองเปรียบเทียบดูนะแต่ปัจจัยที่มีปัจจัยตั้งพันอย่างเนี่ยมาเป็นปัใจจัยใช่ไหมถ้าหนึ่งในพันนะเปลี่ยนแปลงกระทบกระเทือนนะก็ทําให้สังขาร น, นั้นกระทบกระเทือนเพราะฉะนั้นโอกาสที่สังขาร น, นั้นกระทบกระเทือนนี้มีมากหลือเกินเพราะมีตั้งพันอย่างไม่อันนี้ก็ไปอันนั้นไม่อันนั้นก็อันนี้ส่วนอีกอันหนึ่งปรุงแต่งน้อยก็ โอกาสกระเทือนน้อยหน่อยแต่ถ้าไม่มีเลยอย่างนี้หมายความว่าวิสังขารถูกไหมครับถ้าเปรียบเทียบเปรียบเทียบอย่างนี้ใช่ไหมครับก็มองแบบหยาบกว่าเลยเนะนรกเนี่มันเดือดร้อนมากเลยใช่ไหมถ้าไม่มีนรกเลยมันดีขนาดไหนอันนั้นก็นั่นอันนี้แบบหยาบกว่าเลยเนะไม่มีเดราชาถ้าเดรชาถ้าไม่ต้องปฏิสนธิเป็นเดราชาเลยเนะความทุกข์ของมวลสัตว์เดราชาจะมีไหม ไี่มีถ้าไม่ปฏิสนธิเป็นเปรตนะความอดอยากหิวโหยเป็นต้นเนี่ยนะโรคกระเพาะเป็นหมื่นหมื่นปีไม่หายสักปีหนึ่งนะจกมีไหมก็ไม่มีถ้าไม่ถ้าเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจะต้องมาเดือดร้อนลําบากแบบมนุษย์ไหมก็ไม่มีถ้าไม่เกิดเป็นเทวดานะจะต้องถูกกิเลสเหล่านั้นกุ่มรุมเหล่านั้นไหมที่จะต้องมาโลกของเทวดานะก็คือโลกของผู้ที่ติดข้องในสีกับแสงติดในแสงสีเนะ แต่เป็นแสงสีที่วิจิตพิสดารแค่นั้นเองเท่างไปก็คือเบื้องหลังก็คือติดในมหาพูดหลงละเลิงในมหาพูดเทวดาโดยมากนะจุติโดยที่ไม่รู้ว่าตัวตายเลยก็มีโดยมากนะเว้นแต่เทวดาผู้มีบุญมีอะไรมากจริงๆอะ่ะจึงจะรู้ว่าอีกเจ็วันจะตายเจ็ดวันมนุษย์นะไม่ใช่เจ็ดวันเทวดาพราะเขารู้ว่าเออนี้ร่างกายนี้แย่แล้เหงื่อนี่ออกแล้วเหงื่อออกรักแล้แล้วไม่อยากนั่งที่นั่งแล้วเป็นต้นเนี่ยนะรู้เลยว่าจะตาย แต่ถ้าเป็นเทวดาเทวดาทั่วๆไปไม่รู้เลยนะเพลินจนลืมตายอ่ะแต่ก็ตายเหมือนกับอุปมาเปรียบเหมือนกับพวกมแมลงเมาที่เล่นไฟทั้งหลายเห็นไะหมแมลงเม่าเล่นไฟแล้วก็ตกไปในกองไฟนะแย่จนได้เรื่องอ่ะเพราะหมายอย่างนึงนะถ้าพวกมแมลงเหล่านั้นไม่ไปเล่นไฟสัอย่างเดียวนั่นคงไม่ตายอ่ะชนะ่วัตถุทั้งหลายในโลกนี้นะถ้าสัตว์ทั้งหลายไม่ไปคล้องไปติดไม่ไปเพลื่อเพลินนะ วัตถุทุกไม่มีรอกเนี่ยนะก็เนื่องจากเข้าไปเพลิดเพลินนึกว่าไม่มีอะไรในที่สุดก็นำมาเส้นความทุกจนได้แต่ว่าในโลกที่เป็นจริงเนี่ยนะกองตรัดว่าหมู่เทวดาทั้งหลายเนี่ยสเสวยแต่สุขที่ที่บอกว่าพูดถึงเนี่ยนะพระโพธิสัตว์เนี่ยมีสติสัมปชัญญะเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตมีสติสัมปชัญญะดารงอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิต มีสติสัมปชัญญะจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตมีสติสัมปชัญญะอย่างลงสู่คันคือปฏิสนธิมีปฏิสติสัมปชัญญะอยู่ในคันมีสติสัมปชัญญะคลอดจากคันทีนี้ถามที่เราสนใจคือว่าพระโพธิสัตว์มีปฏิสนธิเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตอ่อเ็มีสติสัมปชัญญะมีสติสัมปชัญญะดํารงอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตถามว่าเทวดาเหล่าอื่นไม่มีสติสัมปชัญญะหรือ โดยมากไม่มีอ่านนะเมาตลอดเลยอ่านนะเพราะอารมณ์เนี่ยนะมันเป็นที่เรียกว่าอารมณนาธิปติเกือบทั้งหมดอ่นะมีแค่เรียกว่ามีแต่อารมณการจนลืมไปหมดเลยอ่านนะเหมือนอย่างว่าเหมือนอย่างคนที่เข้าบ่อนการพนันอ่า น, นนะมันมั น, ม, นมันโลกที่มันน่ายินดีสําหรับเขาอ่านนะมันอย่างยิ่งสวรรค์ชั้นสูงคิดอะไรได้ดังใจหมดอะ่ะมันมันแล้วไม่ไม่เจ็บไม่ป่วยด้วยอะ่ะ มีแต่หน้ารื่นเริงในทวารหกเนี่ยนทวารทุกทวารมีแต่อัาธาเต็มที่อ่ะมีแต่ชันธราคะเต็มที่โดยมากไม่มีสติสัมปชัญญะอะไรเลย